ชอบคิดถ้าชอบคิดเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตกรรมาฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคือการดูจิตดูไปเรื่อยเวลามันคิดไปใช่ไหมเดี๋ยวจิตก็สุขก็รู้ทันมันคิดไปจิตมีความทุกข์ให้รู้ทันมันคิดไปจิตโลภ ก, กิดโกรดกิดหลงให้รู้ทันให้มันคิดไปนะไม่ได้ห้ามให้มันคิดไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงใ น, ในใจไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติละนะส่วนเวลาต้องการพักผ่อน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 แต่เราก็ปฏิบัติ ต, ตามสมมุติให้มันสอดคล้องไปนะมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปนะไม่ใช่ถือว่าลูกว่างเปล่าไม่ใช่ลูกเราไปหากีดเดงถ้าอย่างนั้นไม่ถูกหรอกนะเชิญในมัสการพ่อครังกันบ้านครั้งที่สามห่างกันเกือบสองปีแล้วครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฟังครับฟังซีดีครับ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 นานไม่นานไม่สำคัญหรอกนะสำคัญว่าถูกไม่ถูกแล้วถ้าทำถูกแล้วก็ขยันทำมันก็ดีในเวลาสั้นสังเกตไหมว่ากายกระใจเป็นขั้นดูออกไหมออแล้วว่าปฏิบัติไม่นานก็ทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วละ่ะคือว่าคือคือแบบว่าต้องมีระเบียบให้กับตัวเองระเบียบวินัยให้กับตัวเองใช่ใช่สำคัญน ะ, ะเราพยายาม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 ฟังหลายเดือนแล้วงงไม่เข้าใจเลยพอฟังทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, วนก็เลยจับประเด็นได้ว่าเราเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากใช่ก็หัดฝึกดูจิตตัวเองอะคะ<ม>่ะฝึกดูจิตตัวเองจิตมันก็แบบเป็นคนแบบกโกรธโกรธโมโหาง่าย<ม>แล้วก็มีราคะเยอะอ<ม>ืโทสะเยอะอ<ม>ื<ม>ก็เลยจับดูตัวนี้มันง่ายดีะค่ะเออแต่นั้นแหละแค่ดูอตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆดูตัวนี้ด้วยแถมมีตัวตัวอยาก ตัวอยากานะดูตัวอยา่างกเช่นอยากพูดค่ะอยากปฏิบัติอยากโน้อนอยากนี่คะนะให้รู้ทันแล้วมีอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธินี่นั่งไม่ค่อยจะได้เลยค่ะก็ดเดินเอาเดินเอาฝัดบ้านทำโน้นทนํานี่แล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานใช้ร่างกายเลยถ้าถ้ามันฟุ้งมากนะค่ะดูจิต ด, ดูใจไม่ไหวแล้วนั่งสมาธิให้สงบก็ไม่ได้นะ